ในพุทธศาสนาของเราตามตำรับตำราท่านก็มีไว้สมบูรณ์ทั้งพระสุตตตสุตตะปิฎกพระอินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกปิตกะก็คือภาชนะนั่นเองจบแปแล้ว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 ทั้งหมดไม่ว่าจะเรียนปิโดกใดเข้าสู่ใจเป็นเข้าสู่ด้วยความจำธรรมะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ท่องบนสังฆทยายทั้งหมดรวมเข้ามาสู่ใจนี้เป็นธรรมะภาคความจำไหลเข้าสู่ใจด้วยความจำยังไม่ เข้าสู่ใจด้วยความจริงเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยจึงไม่พ้นความสงสัยในปฏิปทาในการดําเนินว่าจะดําเนินอย่างไรดีดําเนินอย่างไรถูกหรืออย่างไนผิดความสงสัยความสง ส, สงสัยนี้จะต้องเป็นพื้นอยู่โดยดีในบรรดานักปริยัตทั้งหลายไม่ว่าท่านว่าเรานี่พูดตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ศึกษารเรียนมา เราอยากจะพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าทุกดวงใจเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะเป็นเรื่องที่จะเป็นอย่างนั้นโดยแท้ <c oughs> เนื่องจากไม่มีผู้สันทัก์จัดเจนในปฏิปทาเครื่องดำเนินและรู้เห็นจากการดำเนินนั้นอันเป็นฝ่ายผลแล้วมาก่อน <c oughs> มาชี้แจงแสดงบอก <c oughs> จึงผู้ที่ศึกษามากน้อย อดสงสัยไม่ได้จำต้องสงสัยอยู่โดยดีนี่เป็นคตินิสัยของปุถุชนเราโดยทั่วๆไปการพูดถึงก็พูดถึงแต่ผ้าความจำไม่ว่าจะพูดถึงทมในปีโดกใดพระสุตตันตปีโดกก็ดีพระวินัยปีโดกนั้นก็รู้แล้วว่า ต้องอาศัยความจําเป็นหลักสาคัญที่จะพิสูปฏิบัติตัวอันนี้ไม่มีพิสดารอะไรมากที่พิสดารมากก็คือพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นธรรมที่พิสดารมากจริงๆมากกว่าปิฎกทั้งสองนี้เนี่ยผู้ที่เรียนมาทั้งหลายนี้ ไม่ได้มีความกินเข้าสู่ใจเราจะเอาอะไรไปรู้ปฏิบัติจึงต้องแบบความสงสัยเต็มหัวใจอยู่นั่นแหละเรียนก็เรียนรู้ก็รู้ในภาพ ค, ความจำแต่วิธีปฏิบัติเมื่อไม่มีผู้ทำนี้ทำนานท้อทั้งการทรงผลมาแล้วมาพาดำเนินจึงเป็นเรื่องลำบากอยู่มากไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูก ได้โดยถูกต้องดีงามและราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอเลยโดยเหตุนี้จึงต้องสอะแสดงหาครูหาอาจารย์อย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นเป็นสําคัญแล้วพูดหลวงปู่มั่นเราก็ไม่สนิทสนมเท่ากับพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่อูอาจารย์มั่นอันนี้เราถึงใจคือเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงมาตลอดและอัดแน่นด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดพาดเดือดเลยนี่ละ่ะ ปฏิปทาของท่านไม่มีคําว่าออกนอกลูก่นอกทางดําเนินตามธุดงควัตเป็นฐานสําคัญหรือเป็นแนวทางสําคัญมากทีเดียวส่วนพระวินัยนั้นก็รู้แล้วว่าพระวินัยว่าอย่างไรไม่มีความพิสดารไม่มีความตีความหมายต้องโกงไปโกงมาเลยส่วนธรรมะนั้นมีความหมายแยกแยะเพราะเป็นส่วนละเอียดดิ้นได้ถ้าพูดแบบโลกโลกเลยว่าดิ้นได้พลิ้ได้ส่วนพระวินัยนั้นไม่มี คงไปกลมาแต่เรื่องธรรมะนั่นสิหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ั่านท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาธุดงคขวัตสิบสามนี้เป็นพื้นเทในการดำเนินแล้วการประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็ไปเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่นอกลู่นอกทางให้ทำให้ผู้อื่นสงสัย แล้วลจะทําเพื่อความเด่นความดังอะไรออกนอกลูกนอกทางนั้นก็ไม่มีเป็นแนวทางที่ราบเรื่อ ด, ดีงามมากนี่แหละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปิีศาเครื่องดาเนินของท่านมีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านก็มีจํานวนมากพากันดําเนินมายึดถือหลักนั้นแหละมาปฏิบัติเด็ด แ, แพร่กัะ แพ่หลายหรือกระจายออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็ น, ขนแขนแงแขนงจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ก็มาจากสายของท่านนั่นเองเป็นที่แน่ใจไม่สงสัยคือไม่มีคําว่าแฝงแฝงหรือแถงแผลงอะไรออกไปให้เป็นที่สะดุดตาไม่ไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่มีท่านดําเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทังนั้นคือมีแบบมีถมัภเป็นเครื่องยืนยัน ไม่ผ <äd> <ints> ิดเพี <ic> <those> like devant, self self. E ้ยนไปเลยนี่เพราะเหตุไลเพราะเบื้องต้นท่านก็ตะเกียบตะกายก็จริงแต่ตะเกียบตะกายตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเต็งเลยและหลักธรรมก็ยึดทุดง ยีสิบสามข้อนี้เป็นทางดาเนินนี่แม้จะล้มลุกคลุกรันในเบื้องต้นท่านก็ล้มไปตามแถวตามแนวของตุ้ดงขวัตไม่้ออกนอกลูก่นอกทางนี้ไปอย่างทางอื่นบ้างเลยเนี่ยจึงเป็นที่น่าโน้นาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลําดับลาดาดังที่เคยเฉียนไว้แล้วในประวัติของท่าน จนกระทั่งเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่านแล้วก็ประกาศสั่งสอนทำแกบ่บรรดาสิทธ์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิบัติกาเครื่องดาเนินโดยความด้วยความองอาจกล้าหาญไม่มีความสะทกไม่มีคําว่าสะทกสะทานแม้นนิดหนึ่งเลยนี่เพราะความแน่ใจในใจของท่านเองทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผล <c oughs> ท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วนี่พบรรดาลูกศิษย์ทั้ง ลูกศิลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษารวมกับท่านยังได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องมั่นยำที่ท่านดาเนินมามาเป็นเครื่องดาเนินของตนและถ่ายทอดไปโดยลาดับตําดาไม่มีประมาณในเฉพาะ อ, อย่างยิ่งภิกษุบริษัทมีกว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ท่านของพ่อแม่โคจรมัน่นแต่กระจายออกไปการที่ได้ปฏิปทา เครื่องดำเนินจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดพาดำเนินมาแล้วเช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนี่หละเป็นเป็นที่ให้ตายใจนอนใจอบอุ่นใจได้ผิดกับที่เราเรียนมาโดยลาําพังแล้วปฏิบัติโดยลําพังเป็นไหนไห น, นยกตัวอย่างไม่ต้องเอาที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยผมเองนี่แหละเรียนจากว่าอวดแล้วน่ดก็ตามก็เรียนถึงมหา แต่เวลาจะหาหลักหาเกณฑ์มายึดเป็นเครื่องดําเนินด้วยความอบอุ่นแน่ใจตายใจสําหรับตัวเองไม่มีจะว่าอย่างไงนั่นมันเป็นอย่างนั้นยึดเสาะแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นหยิบสังลึกทีเดียวตั้งทั้งที่ยังไม่ได้พบองค์ท่านก็ตามและยิ่งไปพบท่านในวาระแรกที่ท่านจะออกจากเชียงใหม่มาเรายังไม่มีโอกาสที่จะออกมากับท่านเลยอย่างนั้น โดยแล้วก็ยิ่งฝังลึกลงไปโดยลําดับลำดาเพราะฉะนั้นเวลาหยุดจากการศึกษาเรียนตามเกตนาที่เจ้าของตั้งไว้แล้วจึงตั้งหน้าต่งตางๆมุ่งหน้าที่จะไปหาท่านโดยท่ายเดียวเท่านั้นนี่เพราะความฝังใจลําพังเจ้าของเรียนมาม า, มากน้อยหาที่ยึดไม่ได้ไม่ใช่ผมประมาททำของพระเจ้าเราพูดถึงเรื่องความโง่ของเราทาั้งทั้งที่ทำพระเจ้าก็เป็นเพชร ปราบก่เลสอย่างราบมาแล้วแต่เราไม่รู้วิธีปราบยกศาสตร์อาวุธซึ่งเป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเยี่ยมยอดขนาดไหนมาก็ตามมันก็ปฏิบัติต่ออาวุธนั้นเพื่อสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ถูกก็ไม่สำเร็จประโยชน์อันใดนี่เป็นของสำคัญเรียนสมาธิก็เรียนปัญญาก็เรียนท่านมีไว้หมด ตามตำลับตำลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่เพราะอย่างยิ่งบรรดาสาวกองค์นั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขานั้นนั่นคือเยี่ยงอย่างอันดีของท่านที่พาดาเนินมาควรจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แล้วแล้วปฏิบัติตนไปเลยแต่นี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นนะมันยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑไม่ได้นี่แหละความสดชดร้อนๆความเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นของสําคัญมากกว่า ความที่คาดคะเนไปตามเช่นเราไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มัน่นท่านพาดําเนินเห็นตาเห็นชัดๆพระจักตาหูได้ยินประจักษ์แล้วเข้าสู่ใจจากธรรมที่ท่านแสดงออกมาด้วยความจริงใจด้วยความรู้จรงิง <brackets> เห็นจริงของท่านไม่มีคําว่า <brackets> เห็นจักมิจะ ต, ต้องต้องเป็นงั้นต้องเป็นนี้น เ, นเพราะความแน่ใจก Burn. นี่ละ่ะ จึงทําให้จิตใจมีความแน่นหนามัน่นคงอบอุ่นขึ้นมาเพราะได้ครูบาอาจารย์อันเป็นหลักปัจจุบันยึดถือการที่กล่าวนี้ผมไม่ได้ประมาททำของระพุเจ้านะผมก็เรียนแต่เพราะความโอ้ของเจ้าของต่างหากที่ไม่สามารถที่ยึดเอาธรรมที่ตนเรียนมาแล้วนั้นมาประหารปหารกิเลสได้เช่นเดียวกับข้างพุทธการท่านซึ่งเคยประหารมาแล้วจนปรากฏเป็นสาวกอรหานก็มีจำนวนมาก แต่อย่างไงก็ตามอย่าลืมว่าการศึกษาต่อประพักของพระพุทธเจ้านี้สำคัญมากทีเดียวนั่นมันสำคัญกว่าการศึกษาจากคำภีบร์ลันเพราะคำพีร์ลันดนี้เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าปริพันธ์นานไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยปีถึงได้จดจจลึกขึ้นมาด้วยความลึกได้ของปราบต้นเองน่มันอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะเป็นร่องรอยให้เราทั้งหลายได้ยึด การจดจารึกมายึงขึ้นอยู่กับภูมิหรือรากฐานของจิตใจแห่งทู่จดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดอาจะเป็นคนประเภทใดก็ตามเราก็ได้ธรรมะออกมาจากพุทธศาสนามาประกาศธรรมสอนโลกโดยมีสักขีพยาน ทั้งพระสุตตันตปิฎกทั้งพระวินัยปิฎกทั้งพระธรรมปิฎกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอันนี้เรายกไว้แต่เราขอพูดเน้นลงพยิบในหลักสำคัญของธรรมที่ ส, สดสดร้อนๆที่จะลื้อฟื้นจิตใจให้ขึ้นได้อย่งางทันอกทันใจนี้ก็คือการฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหนึ่ง ฟังธรรมเฉพาะหน้าของพระอรหันต์จึงเป็นสาวกของท่านที่เต็มเปี่ยมด้วยอัดด้วยธรรมแล้วหนึ่งนี่ต่างกันกับการศึกษาโรงเรียนการจดจาจากครูจากตํำรับตําลาดูมากทีเดียวเพราะนั้นเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยไม่เพียงแต่ว่าไปฟังเพื่อเป็นความจําอันเรียกว่าเรียนเดือนอย่างเดียว ยังเป็นภาคปฏิบัติในขณะที่ฟังด้วยเช่นอย่างเราทั้งหลายฟังอยู่ใลตอนี้หิตได้ส่งไปไหนเล่าไม่ได้ส่งไปไหนตั้งไว้สำหรับตัวเองรู้ตัวเองอยู่ในจุดแห่งความรู้นั้นโดยเฉพาะแล้วคอยฟังความสัมผัสแห่งธรรมที่จะเข้าที่ออกไปจากปากครูบาอาจารย์จะเข้าสู่จิตใจนี้เท่านั้นนั่นจึงเป็นภาคปฏิบัติแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า กับการที่เราเรียนตามตำหนักตำราอันเป็นความจำม า, ปาเปล่าเปเฉยเฉยนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวราวฟ้ากับดิ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ถ้าพูดถึงว่าพระรหัสมันก็อยู่ในพระรหัสนี่แล้วยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ไม่ไปหยิบยืมเอากคำพีนั้นกัมพีนี้ชื่อนั้นชื่อนี้แห่งธรรมมาสอนโลกสอนสงสารอะไรอเอาเอามาจากพระรหัส เอาย่นเข้าไปอีกเอาเออกมาจากพระไถ่หรือฟ้าออกมาจากพระไถ่ ย, ยื่นให้ด้วยพระหัตถ้วนแล้วตัว้งกต่เป็นของจริงด้วนๆซึ่งได้เคยรู้เคยเห็นได้เคยค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการอันถูกต้องจึงเห็นผลเป็นที่พอพระไถ่แล้วนํายื่นให้แก่บรรดาบริษัททั้งหลายสดสดร้อนๆทําไมผู้ต้องการความจริงจากของจริงอยู่แล้วจะไม่ถึงใจจะไม่รู้ไม่เห็น นั่นละท่านมาภาคปฏิบัติเป็นในขณะที่รับกันนั่นเองถอดจากใจหนึ่งเข้าสู่ใจหนึ่งคือถอดจากพระไทยของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายด้วยความจัดความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าแปลงปลอมแฝงอยู่เลยยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นขั้นๆหรือตามอำนาจศาสนาของตนและเลื่อนระดับของธรรมไปโดยลาดับลาดับ จากการฟังแต่ละครั้งละครั้งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปได้โดยไม่สงสัยนี่ต่างกันอย่างนี้เองแล้วพระสารพุกอรหันเล่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ทรงอาริยสัจสีไว้โดยสมบูรณ์และทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์เต็มพระหวัวเต็มเต็มหัวใจด้วยท่านจะสอนผิดไปที่ไหนท่านพานก็ด้วยความถูกต้องจนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นไม่มีอะไรสงสัยแล้วท่านจะนาความ มุมงมายมาสอนพวกเราได้ยังไงเอาความมุมงายมาจากไหนก็ท่านไม่ใช่พระมุมงายท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์พุทโธ ท, ทั้งดวงภายในภายในใจของท่านและภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าสอนโลกจะเคลื่อนคลาดไปไหนจะเป็นของปลอมไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้ล้วนแล้แต่เป็นของจริงล้วนเท่านั้นที่จะเข้าสู่จิตใจของบริพุทธบริสุทธิ์ที่ฟังลึกของลูกศิษย์ลูกหาที่จ่อฟังอยู่ด้วยภาชนะที่หงายเต็มที่แล้วนั้น จะพ้นจากความรู้จริงเห็นจริงไปได้อย่างไรนี่แหละคือภาคปฏิบัติออกจากการสดับตับฟังทั้งเรียนทั้งปฏิบัติมันเป็นไปในตัวเสร็จไม่เหมือนกับที่เราเรียนท่องบนสังฆทานจากคำพีนอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนเรียนล้นล้วนเป็นความจำล้นล้วนความจริงไม่นีขณะที่ฟังนี้มีเต็มไปด้วยความจริงท่านแท้แท้สอนออกมาจากความจริงทั้งหมดผู้ฟังก็เป็นความจริงจิตตั้งแล้วด้วยสตินั่นเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วรอที่จะรับ ฟังเหตุผลกลไกนั้นใดๆซึ่งออกมาจากความจริงไม่ผิดไม่พลาดแล้วมันต้องรับความจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยลําดับลําดานี่แหละที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาในครั้งพุทธการว่า บ, บรรลุธรรมเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเวลาฟังธรรมจากอตรงพราะ พ, า พ, าพักตร์พระพุทธเจ้าทํามจ่จําจําเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปได้แท้แท้เราจะหาเรื่องอะไรมาบิดเบือนกันมาเปลี่ยนไปไม่ได้นอกจากกิเลสเท่านั้น ที่มันตัวคลิกแพงเปลีป่ยนแปลงตัวหลอกลวงจัตว์โลกผู้โง่เขาว่าปัญญาให้ล้มไปตามมันเท่านั้นว่าเป็นไปไม่ได้อืมว่าไม่จริงนี่คือเรื่องของกิเลสต้องท้านทําเสมอถ้าเรื่องของทำแล้วหัวใจเปิดอยู่ด้วยมากด้วยผลทําไมเปิดเทลงในจุดในหัวใจดวงที่ต้องการมากผลอยู่แล้วซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทําไมจะรับกันไม่ได้นั่นมีอดีตที่ตรงไหนมีนาคกตี้ตรงไหน สัจธรรมไม่ใช่อดีตสัจธรรมไม่ใช่อนาคตมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่ผู้ที่ตายไปแล้วร่างกายก็หมดเข้าหมายไปอสัจธรรมไม่มีสําหรับคนตายไปแล้วนี่นี่ความจริงเป็นเช่นนี้นี่พวกเราทั้งหลายก็ได้ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเครื่องดําเนินเป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจว่าไม่สงสัยแล้วก็น่าจะได้ดําเนินตนเต็มเม็ดเต็เมตหน่วย เพื่อได้สติขึ้นมาได้สมาธิความแน่นหนามั่นคงความสงบใจความอิ่มตัวอิ่มใจสบายใจขึ้นมาแล้วความแยบคายภายในปัญญาภายในใจด้วยปัญญามีความเฉลี่ยฉลาดรอบคอบไปโดยลําดับลาดาขึ้นมาภายในใจของตนจากการปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ที่เป็นแบบฉบับอันดีงามมันแทนที่จะเป็นอย่างนั้นมันทำไมมันจึงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นความเหลวไหลเหลวแหลกเหลืเท่านั้น เนี้ยอย่าลืมเคยพูดเสมอว่ากิเลสนั้นรวดเร็วที่สุดในหัวใจแต่ละดวงละดวงไม่มีอะไรจะจะรวดเร็วยิ่งกว่ากิเลสทํางานบนหัวใจเราความเคลื่อนไหว ม, มันต้องเป็นที่หนึ่งออกก่อนมีน้ํำซ้มความเคลื่อนไหว ม, มันเองเป็นผู้กระตุกให้คิดให้ปรุงนั่นฟังสิมันฉุดมันลากให้คิดให้ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรส อะไรในอดีตที่เล่องมาแล้วก็ตามที่ยังไม่มีมันก็วาดภาพหลอกขึ้นมาเป็นเรียวกว่าเป็นลมๆแรงๆขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวให้เราเพ้อในความคิดความปุงของตัวเองโดยหาเหตุหาผลต้นไปลายไม่ได้อยู่วันนั่งค่าไม่มีความเบื่อหน่ายเลยนี่ตัวกิเลสมันเร็วอย่างนั้นให้ดูเอานี่ที่สอนแล้วนี่เอ า, เอาพิจารณาสิไม่ได้มีอยู่ในหัวใจของผู้สอนนี่อย่างเดียวมีอยู่กับทุกคนความจริงจะต้องทราบด้วยกันทุกคนถ้าใจได้ตั้ง หน้าต่างๆปฏิบัติตามที่กล่าวที่สอนนี้จะเป็นไปอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันปรุงเท่าไหร่ดูสิหัวใจเจ้าของนี่นะการศึกษาการอบรมก็คือการอบรมดูความคิดความคิดความเคลื่อนไหวของใจมันปรุงเรื่องอะไรบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งรูปรูปนี้มีอะไรอัจฉรย์อะไรบ้างดูสิรูปรูปต้นไม้ต้นภูเขารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปดินรูปน้ํา รูปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิสัยของตามันเห็นมาแล้วมานามาปรุงม า, มาคิดสิ่งเหล่านี้มีอะไรพิเศษเราเคยเห็นเคยเจอมาพบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงแบบ น, นี้ในร่างกายของเราก็คือรูปนั่นเองมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆมันมีเศษอะไรถึงขนาดนั้นยังต้องยังต้องยอมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวให้มันกล่อมจนหลับด้วยการปรุงเรื่องของรูปไม่มีความว่าสิ้นสุดไม่มีคำมาก อชาราค้ำค้าไปแล้วไม่มีคําว่าเป็นเดนไปแล้วนานไปแล้วเนา่นาเฟะแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดแล้วไม่ได้ว่าอืมอุ่นขึ้นมากินตลอดหลงตลอดท่านเองคือว่ากินตลอดติดตลอดท่นเองดีก็ติดชั่วก็ติดตุ้งอยู่ตลอดเวลาส่วนมากติดแต่เรื่องชั่วเรื่องนั้นทั้งนั้นแหละอืรักก่อน็รักชังก็ชังเคยรักเคยชังมาแล้วกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทําไมมันถึงไม่ไม่ขินไม่ชา ไม่ไม่รู้กฎอุบายของกิเลสที่มันหลอกตลอดเวลามันก็เอาเรื่องเก่านั่นแหละมาหลอกมันไม่ใช่เอาเรื่องใหม่มาหลอกนี่หนาพอจะได้หลงกลของมันว่าไม่ทันเพราะมันเป็นกลใหม่อันนี้ไม่แต่กลเก่าทั้งนั้นกลจากรูปกลจากเสียงกลจากกลิ่นรถสัมผัส ต, ต่างๆ ม, มีแต่เรื่องของเก่ากลเก่าปรุงอันเก่าขึ้นมาลอ่อคุยอย่างนั้นโง่ขนาดไหนพวกเราเนี่ดูเข้าไปที่ดูที่หัวใจนั้นเมื่อดูเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะทราบอย่างที่ว่านี่หนีไม่พ้น เบื้องต้นขอให้สติมีก่อนเอาเล่นสติให้ดีความรู้กับอยู่กับตัวแทๆ้ๆทาไมมันถึงไม่รู้ตัวมันโง่ขนาดไหนเรานี่ยเห็นว่างั้นสิถามตัวเองว่าตัวเองอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นคนอื่นยิ่งกว่าเรื่องตัวเองพิสูจ ด, ดูเรื่องของตัวเองตัวรู้แท้ๆมาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจใจเป็นตัวรู้ทรงรู้อตลอดเวลาทําไมจึงให้สิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายลากเอาความรู้นี้ ไปเป็นเครื่องมือใช้ในความรู้ในสิ่งที่เป็นเป็นภัยมากทําลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวตลอดมาเรามันไม่โงงมากไปเกินไปแล้วหรือมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราพระกรรมาฐานเหล่านี้ทำไมไม่ดูนเราพูดแต่เพียงรูปอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระเทือนโรคธาตุแล้วมันกว้างแค่ขนาดไหนรูปนี่แล้วติดกว้างแค่ขนาดไหนจิตนี่มันเคยติดสิ่งวันนี้และติดมานานเท่าไหร่แล้วได้คํานึงดูแล้วอย่างมันติดมานานเท่าไหร่ มันเมื่ อ, อไหรจะเบื่อสิ่งคนนี้มันไม่น่าเบื่อเพราะอะไรอืมมันวิเศษวิสูัน์ในถึงไม่น่าเบื่อฮเพราะกิเลสมันทําให้เราติดตลอดนั่นเองเราถึงได้ติ ด, ตดทุกอย่างขั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสได้เสกให้แล้วติดทั้งหมดเพราะกิเลสมันอยู่กับจิตทั้งเรานี้มันไม่มีคําว่าเบื่ออเพราะมันมันเยี่ยมกว่าเราความฉลาดแหลมคมมันมันเยี่ยมกว่าเราเราจึงไม่มีความรู้วิชาสามารถที่จะรู้กลนของมันพอที่จะทราบ เรื่องราวแล้วถอนตัวออกมาและเห็นโทษของมันได้นนี่เองไม่ใช่อะไรและเสียงตื่นนสดเอาวมันเหมือนกันนี่แหละเป็นของวิเศษวิโสอะไรมันมีอยู่เต็มตัวเราทุกคนรูปก็อยู่เต็มตัวของเราเสียงก็ออกจากตัวของเราก็ได้ตื่นนสดเครื่องสัมผัสอยู่ในตัวของเราครบหมดนตื่นไปที่ไหนดูสิสัมผัส ด, ดูตัวเราเป็นยังไงแล้วตื่นในทางภายนอกดูนนี้มันก็ครบแล้วเมื่อรู้อันนี้แล้วมันก็รู้ข้างนอกอครบอีกเช่นเดียวกัน ปล่อยอันนี้แล้วก็ปล่อยไปได้หมดสงสัยอะไรนีการเรียนรู้เรื่องของตัวเองให้เรียนอย่างนี้นักปฏิบัติดูภายในใจมันจะเปิดออกหมดนั่นแหะถ้าลงได้ใจได้เปิดด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ําทําลายได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเพียงจะกระดิกตัวปรุงขึ้นมาเท่านั้นสติปัญญาจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วและการปรุงขึ้นมาแต่ละ ขณะของจิตจะเป็นการปลุกประสาทคือสติปัญญาให้ตื่นตัวทันทีทันทีนี่เมื่อถึงขั้นที่รู้ทันกันเป็นอย่างนั้นสติปัญญาไม่ใช่เป็นของล้าสมัยไม่ใช่เป็นของคือไม่ใช่เป็นของโง่แต่เราไม่ได้ค้นได้คิดขึ้นมาใช้ต่างหากเราจึงได้โง่ให้กิเลสมันลากมันจูงไปทุกแห่งทุกหนทุกมุมโลกภูมิท้องถานที่ตรงไหนที่เราไม่ได้เกิดไม่มี มันได้เกิดทั้งนั้นจิต ด, ดวงเดียวของเราเนี่ยตัวขยันเกิดจนนับไม่ถ้วนเอาปัจจุบันเป็นรากฐานสําคัญยืนยันไปได้หมดเรื่องอนาคตหาประมาณไม่ได้เพราะความเกิดตายของจิตที่พาให้เปลี่ยนไปนี้แล้วอนาคตก็เหมือนกันจะไม่มีประมาณเลยถ้าไม่ตัดให้ขาดสะพับบนลงไปในวงปัจจุบันนี้คืออวิชาปัญญาสร้นข้าหลานนี้สําคัญมากทีเดียวเอาเนี่ยขาดลงไป วิถีตัดอวิชชาก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี้น่ยอุบายวิธีเริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลเดินจงกลมนั่งสมสาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือจะกำหนดทํหบทใ ด, ดก็ตามอันนี้เคยสอนมาแล้วนี่เป็นอุบายเบื้องต้นการยกครูที่จะขึ้นบนเวทีต่อยกับ ค, คู่ต่อสู้หรือค่าสึกคือก่เลสประเภทต่างๆเราฝึกหัดทั้งเราจากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้เองอคือการ การอบรมแล้วก็ไปฝึกตัวเองสอนตัวเองอุบายวิธีการที่จะตั้งสติให้คิดเป็นอุบายปัญญาอีกอันหนึ่งไม่งั้นไม่รอบจะของไม่ทันคนอุบายของกิเลสนะกิเลสมันใหม่เอี่ยมแต่อุบายวิธีการที่จะบาปกิเลนั้นมันล้าสมัยได้นะเพราะกิเลสมาเป่าพุทธเดียวเท่านั้นล้าสมัยถ้าเมฆก็คมปื้นไปหมดหาคมไม่ได้นี่แหละร้ายก็ทู่ไปหมด กิเลสเปตาที่ตีเดียวตอนนั้นละ่ะอะไรก็ถื่ไปหมดถื่ไปหมดถู่ไปหมดไม่มีคําว่าแหลมามากขมเพราะกิเลสมันเก่งมากมวลคาถาของมันเตาพูดเดียวพูดเดียวแต่เราไปเป่ากิเลสดูสิอ่าอันนี้มันคืดแล้วนะอันนี้สมาราสมัยไปนะกิเลสหลอกมาเนี่ยไม่หนีมีแต่ทันสมยัยทางนั้นวิ่งตักเขาจนถ้าเป็นแทบตายในเวลาสติปัญญา ย, ยังไม่ทันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเรื่องหัวใจนี้ แต่อย่าลืมว่าสติปัญญานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเวลาได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการฝึกการอบรมณนี้แล้วกิเลส จ, จะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งเคยฉลาดแล้มคมมาตัก่อนปัญญาจะเข้าเหยียบย่าทําลายไปได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจนกรทั่งไม่มีอะไรเหลือภายใใจเลยนั่นเจ่งไหมปัญญาท่านบอกถึงขั้นสติปัญญาธรรมดาแล้วยังไม่แล้วยังบอกถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิยะฟังสิมหาวิยะคือความเพียรแก่กล้าสามารถอุตสาหะมาพร้อมกันหมดทีเดียว เป็นเกลียวเดียวถ้าเป็นเชือกก็เข้าเป็นเกลียวเดียวหมุนติ้วติ้วติวเลยนี่คือการจิตคือจิตที่ฝึกได้ตามหลักตามแบบฉบับของศัสดาที่สอนเรียกว่าสุขคตธรรมที่ท่านตรัพได้ชอบแล้วชอบอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามได้ดําเนินตามอย่างเป็นไปตามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เช่นไหน ลูกศิตก็บริสุทธิ์เช่นนั้นด้วยปฏิปทาอันเดียวกันสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่บรรลุถึงพิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันนั่นเรียกว่าสุขาธรรมชอบชอบชอบถ้านำมาปฏิบัติให้ตรงมันแก้ไขมันทันเลยอันนี้ยังมีแต่ยัมันลากเอาลากเอามันถึงโอ้โหหนักใจนะผู้อบรมต่างสอนคนหนัก นี่เลยพยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีส่วนเจ้าของเลยฝึกผลอบรมเจ้าของก็เคยได้เล่าให้ฟังแล้วมันเด่นตายที่ในมาไ้รับความเสียสันตัญยอว่าเป็นครูอาจารย์สอนหมูสอนคณะอยู่เวลานี้เราจึงได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสว่ามันสําคัญอยู่มากฤทธิ์มากจริงๆไม่มีฤทธิ์อนไดในโลกนี้สู้ฤทธิ์กิเลสได้นั่นแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าทำปราบกิเลดได้นั่นฟังสิ อก็เครื่องมือก็คือสติธรรมปัญญาธรรมนี่ะเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วสติปัญญาก็เป็นองค์อาจารย์ต่างๆกันรวดเร็วไม่มีคำวมาการสถานที่เว ล, เวลาและเดียบทในการปราบกิเลสไม่มีเลยรวดเร็วขนาดนั้นละ่ะจนกระทั่งเราคํานึงไม่ทันไม่เห็นถึงเรื่องเหตุเรืผลว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตไรสติปัญญาถึงได้เป็นอย่างนั้นนั้นเพราะเหตุไรนี้ไม่ทันนั่นเวลาความรวดเร็วของปัญญาเกิดก็เช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นภารกิจของเราเพราะเหตุไรเพราะไรทันยังไงทันเมื่อไหรไม่ทัน เรื่องความรักความชางังความเกลียดความโกรธต่างๆที่เกิดด้วยความอำนาจของกิเลสนี้ทันเมื่อไหร่ไม่ทันนี่เวลามันมันรวดเร็วมันเป็นอย่างนั้นก็ดิบแปบเดียวเป็นเรื่องของมันออกแล้วออกแล้วทั้งหมดนี่เวลากิเลสมีอำนาจตัวของเราทั้งหมดนี่เป็นสถานที่ทํางานของกิเลสเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองมีแต่ลมหายใจฟอดฟอดนีเ่เวลามันโง่มันโง่อย่างนั้นใจแต่เวลาได้ฝึกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปแล้วมันก็กกลมข้าบอีกเช่นเดียวกัน เมือเวลาทําได้ได้เคลื่อนแล้วกิเลสนี้พังลงพังลงพังไม่มีเวลาไหนที่ทําจะไม่ฆ่ากิเลสมีแต่ฆ่าตลอดแต่หากว่าจะเป็นรูปภาพต่างๆเหมือนมีรูปมีร่างเนี่กิเลสมีรูปมีร่างนี้ไปไหนเคลื่อนด้วยซาก ข, ของกิเลสไม่ว่าจะสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเคลื่อนหมดเดินไปไหนตาหูจมูกทิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ตรงไหนตรงไหนไมีแต่เรื่อง ขกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นความคิดปรุงออกอย่แง่ใดมีแต่เรื่องของสติปัญญาสังหารกิเลสเกอนโลกธาตุว่าเป็นไรอย่างนี้นะแต่นี้มันไม่กิเลสไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นการปฏิบัติเพื่อเอาจีิงเจังต่อตนนี่มันล้มเหลวนะสอนเท่าไรเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่ นี่แะเวลากิตมันด้านมันด้านอย่างนั้นนะนี่กระเจือนเข้าภาษาแล้วถ้าจะมากๆนกี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันยิต้องการกนะยับกยะยายออกห า, านที่เรียกสนัดประกอบความภากเพียรที่จะเป็นคติตัวอย่างเครื่องนําเนินนั้นก็น่าจะได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นของทีรี้แล้วเป็นสิ่งที่เปิดเผยตาก็เห็น หมูเพื่อนครูบาอาจารย์พาดำเนินอย่างไรหมูก็ได้ยินท่านแนะนำสั่งสอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นด้วยตาอยู่นี่เปิดเผยกันอย่างนี้น่าจะได้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วถ้าไม่นอนใจก็าตาใ จ, จอย่างเดีย ว, วนะการแสดงธรรมก็เห็ น, น, นว่ามีควมอลัละณ์ดชแคนี้จิต ด, ดวงนี้สำคัญอย่ามากดวง มันะเือนมากิเรื่องคำว่าจิตจิตนี่ใหม่เป็นสิ่งที่สะเทือนมากทำให้คิดโอ้ยภาควิจารณ์เรื่องของจิตนี่ก่อนก็ไม่เป้นเพราะไม่รู้เรื่องเตยตุกวันนี้มันเป็นนะดูแล้วจริงพระพุทธเจ้าจิงเป็นธรรมเป็นศาสดาองค์เอกองค์อัศจรรย์จริงไม่มีใครรู้พระองค์รู้คนเดียวไม่มีใครสอนนี่ รู้เรามาประกาศสอนโลกให้ได้เห็นภัยแล้วสลัดตัวให้พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับในวัฏจักสันนิษออกไปได้จังมากมายพระเจ้ามาตรจะรู้แต่ละองค์ไม่ใช่น้นนอยนะหรือผลสัตว์ออกจากโลกนี้ไม่น้อยหนาะแต่ล้ะพระองค์พระองค์ส่วนพระเจีรพระเจ้าก็เกิดในไม่มีศาสนากก็็ก็ท่านก็นกเกิดได้แต่ท่านไม่สอนไผ่ เกิดเงียบๆรู้เงียบๆของทัานแล้วกลับไปเงียบๆอ๋อเขาก็เจติเขาปฏเจติเือนในเวลาว่างแต่สนามไม่มีสนามที่เ ก, กิดทั้งท่านเป็นพิจารณาตบใบชาติคือเคยสอนมหักเป็นในจิตเองมองอะไรไปมันเป็นสัจธรรมเพราะเรื่องทำแท่นั้นเป็นหลักความจรงิงมีอยู่ทั่วไปมาก เราเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้ไม่มีประมาณเราจะมาเอาคำพีบรลานมากางมากัน้นเหมือนมากัน้นน้ํามหาสมุทรนั้นแหละจะกั้นอยู่ไหมในคมภีร์บาลานมันเท่าฝังหมื่ไมม น, นไอความจําที่มาจดไว้ในคัมภี์บาลานไอความกินมันรอบโลกธาตุเต็มหมดจิตมันเป็นของละเอียดมากอะไรเกินจิตว่ะนั้นรู้เป็นซอกแซกซึกแซกรู้ไปได้หมดทั้งกายทั้งกจเพียงคำภีบาลานจะมาเหียบหน้าจีกฝังได้ยงไหม หีบความความจริงเพราะคําพี่เวลาเป็นความจําำจํามาได้เท่านี้เขียนได้เท่านี้นี่ความจริงทะลุไปหมดเห็นไหนไหนมันไปได้หมดรู่น่ะหมดร่างไรเห็นไม่เห็นได้ยินไม่ได้ยินก็ตามจิตนี่พุ่งพุงพ่งพุงพ่งพงมันก็มีแต่กิเลสเท่าทั้เ น, านเองปิดบังเอาไว้ไม่ให้กระดูกกระดิกได้เหมือนกับให้หลับตาไว้หลับตาได้ยังไงแล้วผ้ามัดตาเขาอีกมันจะเห็นยังไงร้อยดวงมันก็เป็นเหมือนกันหมดสิให้หลับตาไว้แล้วยังไม่แล้ว เอาอะไรมัดก็อีกนี่มีกี่ร้อยดวงก็เอามาแบบทำแบบเดียวกันหมดนั้นแล้วดวงไหนมันจะวิเศษไปเห็นอะไรเมื่อมันถูกมัดไว้อย่างนั้นทั้งหลับตาด้วยแล้วทั้งถูกปิดมัดไว้เลยนะตาไหนจะวิเศษวิโสก็ดูพอมันเปิดนั้นออกดูสิงั่นที่นี่ก็ครื่องยี่เหลี่ยมมันปิดเอาไว้มันไม่ให้เห็นก็พังมันลงไปแล้วความจริงนี่ไหนไม่เห็นหมดเลย เมือเจ้าคดีสาวโบกอยูท่านเห็นอย่าันท่านจึงในอาจท่านจึงอาจฐานนี่มันพูดอะไท่านอาหานเพราท่านเห็นนี่ท่านรู้นี่ไม่ได้พูดแบบล้นดาวเกาหมัดจะอะไรมามาจะทุกข์ระทานใครไม่เชื่อท่านก็ไม่จะทุกข์ระทานไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขานี่เรื่องของท่านท่านเห็นนี่ทีว่าไงท่านรู้ก็เหมือนอย่างเราเห็นนี่เอาไงใครไม่เห็นก็ตามที่ก็เห็นอยู่นี่นั่นใครจะว่าที่เสียษว่าอันนี้ไม่มีก็ตามก็เราเห็นอยู่นี่นี่นี่ มันมบกพร่องไปไหนมันขาดไปไหนเราก็เห็นนี่มันไม่ได้ขาดไม่บกพร่องเขาต่างหากที่เขาไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาต่างหากเราไม่ได้เสียนี่นั่นนะ่ะท่านที่นนจะตกไม่จะตกกระฐานการสอนโลกเพราะท่านสอนด้วยความจริงด้วยความรู้อย่จริงเข้มจริงทุกสิ่งทุกอย่างท่านติดอยู่กับมือนี่เปิดออกนี่หนะแนะ่ไม่ใช่แบมือเปล่านี่มีน่ะนี่น่ะนี่น่ ะ, นนะอยู่งั้นต่างกันตรงนี้ เราเพียงความรู้แค่หางอื่นเนี่ยมันก็ยังมีอาจหันได้นะี่ว่าไงมันเป็นจริ ง, นนนงนนในหัวใจนี่เออมันจะต้องท่านไข่ว่าในโลกนี้พูดจริงๆนะไม่มีคําว่ากลัวอะไรแล้วไม่มีคําว่ากล้าอะไรด้วยนะนัะ่นไม่มีคำว่าไม่กลัวและไม่กล้าด้วยอแต่เวลาถึงเวลาที่จะพูดแล้วก็พังเลยเอ า, เ, อาเป็นไปตามความจริงนี่ มันอเรเดินไปตามถนนนี่จะุกท่านไปไหนคือที่เดินมีอยู่นี่ทางมีอยู่นี่เดินไปนี่มันเป็นอะไรนี่ทำไมจะเดินไม่ได้แน่แล้วสิ่งเห็นกับตามีอยู่แล้วเห็นดูอยู่นั่น่จะุกท่านไปไหนสิ่งที่จะดูก็คือตานี่มันดีอยู่แล้วนี่สิ่งที่รับตาก็เห็นอยู่นั่นน่ะมีอยู่นั่นนันหูจมูกก็เหมือนกันมันดีทุกอย่างรับทุกอย่างเห็นไดชัดนี่มันจะทุกสะทานอะไรว่ากลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่ได้ยินอะไรก็มันเห็นอยู่นี่โดยตาได้ยินนี่โดยหูรู้อยู่นี่โดยใจนั่นเอาองงนนีี้เาใจ รู้ตรงนี้เั็นอาจารย์พระเจ้าอะไรัาจารย์จริงๆมีไข้รู้เลยพระองค์ทรงรู้สเสมอท่านต้งตั้งดิบต้องปรารถนาเป็นปัสกดาสอนโลกมาอย่างนี้กับให้ท่อปลาไทยน้ำประเ น, น็ไหลนี้ท่อปลาไทยเหมือนฟังเซิที่สังสอนสัตว์โลกก็เป็นสิ่งที่ขนาดนั้นอ่ะฟังก็เถอะ ทํำไมเขาจะรู้ได้อทํำไมคือรู้ได้ใครใครจะรู้ได้ไงโอ้โหโอ้โหดีมันอัศจรรย์นะใครจะรู้ได้เห็นได้พูดเขาฟังเขาก็จะหาว่าบ้าแฟนทำไมหนึ่งเขาหนึ่งก็าควายเท่หนังสือสอนหนังสือให้คายจะเปรู้เรื่องอะไรายนอกจญาานั้นอันนั้นมันนั่นเทียบกันแล้วก็อย่างนั้นเองไปสอนนงส่หนังสือให้มันเอาเพชหนึ่งกินดาให้ควายมันจะเปรู้เรื่องอะไรมันนอกเก็่ยวกับญาติเนี่ยนี่เที่ว อิจ ท, ทำให้พระองค์ทออพระไัยที่ละเอียดถึงขนาดนั้นละว่างั่นเถอะพระองค์เองที่รู้แล้วยังเห็นเป็นอัศจรรย์นายพระองค์เองอีกจ ะ, จะไปสอนขายขนาด น, าดนี่ขนาดนี้จะไปสอนขายจะไปสอนคขายท้อพระททยไม่อยากพูดจะไปสอนขายทำงานมันจะ ย, ย, ย้อนมาถึงเรื่องป ฏ, ฏิปทาเครื่องเ น, นึ่งละเอยกกียดขนาดนี้เรารู้ได้ยังไง เราเป็นเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกเขาเนี่ยแล้วทำไมเราถึงรู้ได้เรารู้ได้ด้วยอะไรต้องกปรหนีปฏิปทาได้ยังไงก็รู้ได้อย่างนั้นเพราะเห็นนะเห็นนานบัดปฏิปทาเพื่อนำไหปฏิปทานถึงเหมือนกับว่าเรายกเราเป็นตัวการขึ้นมาเลยถ้าเป็นเทตเอาเราขึ้นมาเป็นเหตุถ้าเป็นของที่สุริสัยของโลกทั้งหลายจะรู้ได้ก็เราเป็นเทวดามาจากไหนทําไมเราต้องรู้ได้ล่่ะะนรู้เพราะอะไรอ่ะ รู้เพราะอันนั้นนั่นคือปฏิปทาเท่านั้นนะก็เอานี้ไปสอนโรกทำไมเขาจะรู้ไม่ได้ล่ะนะพอัานพอใจถูกต้องแล้วเวเนเชียตบาลเห็นไหมล่ะเท็ดเยนจาวกีทาจักรกลว่าสุดนั่นทางโคตนั้นทางโค้งนั้นอัตทิ่ทางนิยโยจะทำนั้นละมาราเปล่าม่เกิดประโยชน์การมันยโยก็นอนแช่ในกามไม่ใช่เป็นของดีนน อตอนกิรนรามาธิโยกันนอนบนขวากบนหนามนี่คืขั้งพืติกรรมมันหมนคือขั้งนั้นมันพวกรัตเจา้ารัตธิเป็ต่างๆมีเยอะทําความลําบากลำบนแก่ตนถึงเป็นถึงตายหน่ไม่ใช่เล่นๆนะนั่นแหละท่า น, ะาาานอาตากิากนร้มาธิโยกให้หยุดทําตนลําบากให้เปล่าเช่นนอนบนขวากบนหนามย่างตนเหมือนอย่างปูอ ย, ย่างตาทั้งที่ยังไม่ตายเปล่าแต่ไม่สนใจภาวนาตรงที่มันจะถูกมันป้านเอาหมด มาถึงมัจาปฏิปทานขึ้นเลยสมาติสมาสังโฆสมมาาจารสมาโิสมมาสมาธินี่คือมัิมาปฏิปทาถ้าเดอภิสัมบูทาเรารู้ยินสะได้รู้ยินตรงนี้แหละว่าคุณนง่ายจักโกรณีญาณกนีอุปสมัยปัญญายะสัมบูทฐานอนิบาลายะสร้างวัตถิเป็นไปเพื่อความรู้แพือแกนความฉลาดเรื่อยเรื่อยเป็นไปเพื่อนิพพานนาะ อั่นท่าไนว่าไป ม, มาจิมาท่นานบอเป็นไปเพื่ออย่างนี้เอง ม, มาจิมาไม่ได้เพื่อความมุมหมายไม่ได้เพื่อความทุกข์ความลําบากเปล่าๆเป็นไปเพื่อตอดทอนกิเลสจากนั้นท่านก็นยกเห็นไหมละ่ะที่ในอนัตถนาอะไรวัตตุปัเจโดน่นตัณหายวิราโคนิโรโทรนิพา น, นังที่เป็นไวยโพธิของปณิพันธ์คือใช้แทนกันได้เฉพาะไวยโพธม ทำํำยังความเมาให้ส่างอะไรปนะัญหาขู่ความชินตัญหานะี่นี่คือควานี่คื อ, ค, อคือพนิพัทธ์คื อ, องไงวางนั้นแหละคือความชิ้นตัญหาพนินาัทธ์หมดความอยากโดยประการทั้งปวงไม่ว่าส่วนอยากส่วนการส่วนเหยื่อหมดไม่มีเหลือในใจเลยเป็นพนิพัทธ์พนิพัทธไม่ไม่ไม่อยากจิตพระอรหันต์ท่านไม่อยากมันะรุ่งท่านมีท่านถึงเด็นสามารถเอามาพูดได้ รู้แล้วต่านถึงพูดไม่ได้พูดว่าโน้นดาวดาวกหักเขยุความสิ้นตัะหาวิราโคความสิ้นตำแหน่งคือความยินดีนิดนึงก็ไม่มีนิโรธโอดับสนิทฟังสินิพานังไม่มีอะไรเจ็บแทนเราเรื่องกว่าเลยนี่เอามาจากมัจจิมา สอนนี่ละที่ว่าท่านว่าเอาแน่ใจละที่นี่ว่าเมื่อยกพระองค์เป็นตัวปัญหาขึ้นมาแล้วมันวิดีใช้ไปของเป็นยังไงท่านรู้ได้เห็นได้นี่เพราะะนั้นนั่นเอาละใช่ได้เอานี่สอนโลกยิ่ได้ประกาศทำสอนโลกโดยมัชจิมาปฏิปทานี่ก็พระญาณโกนิยะขึ้นเลยนี่ว่าย่างกิ่จิตสมัยธรรมแสดงโยทรรมนั้นสิ่งนั้นก็ตามที่เกิดขึ้นดับทั้งนั้นมานี่เอาแปลให้มันถึงใจนะ แต่ในพระญาตท่านบอกว่าสิ่งได้จริงหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่ำดับเป็นธรรมดาไม่ได้ถึงใจเพราะเป็นความจำไม่ได้เป็นความจินที่ใจันดวงนั้นรู้ถ้าใจดวงนั้นรู้ขึ้นมาแล้วอุทานมาแล้วความรู้ที่จะไม่พูดอย่างนี้เลยมันต่างกันนะเอถ้าจิตได้รู้ขึ้นแล้วอุทานขึ้นมาการเจําจำความอุทานนั้นมาพูดน้ําหนักไม่ได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นกัรกิจิตสมุทัยธรรมสัมปันตานิโรธธรรมสิ่งไดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่ดับเป็นธรรมดาเพียงเท่นี้ไม่ได้ถึงใจ ส่วนพระัญญาโกรย่ญญาจะไม่เป็นอย่างนี้ถึงใจเผึงเลยเด <c oughs> ียวก็อย่าอย่พูดไปอย่างนี้แล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึดับทั้งนั้น嘛ไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจได้เลย น, นั่นก็คือกิจมันเด็ดของมันแล้วเนี่สยสลัดปุ๊บมีตะจิออกท่าเดียวนะมีตะจิออกท่าเดียวะ <c oughs> อะไรก็ตามในโลกนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าเยื่อใหยไม่ได้ไม่มีอะไรให้เยื่อใยเลยห <c oughs> ลงมันอะไรเพูดใย่างนั้นอย่างที่มิเรยว่าพอัญญา คนนั้นอญญาที่กมาตบโบกันอยู่ถ้าอยาคนอนยาได้รู้หน่อยรู้หน่อยอญยาที่ตะโบกนนั่งยกในถ้าทำไจะกลับวัตนจุดก็แปลได้หมดละนี่ยกหยิบยกมาแปลตรงนั้นแปลความจริงก็แปลได้หมดเลยจะกลับวัตถุเอาหาเอาสติสัมปชเป็นมันเป็นที่มาสัมปัดกับทํา ที่เราพูดยกออกมาที่เป็นจุดสําคัญสําคัญธรมจักกับวาระสุพูดถึงหนึ่งอยศัสตร์แสดงอริยสัจนี่แหะอายศาสตร์อยู่ในธรรมจักรกับว่ enfin. าสุดชัดเจนคือบอกอย่างชัดเจนได้เลยอันนี้นอกจากนั้นก็เป็นธรรมดาคือบอกโดยหลักธรราติหลธรรมชาติไม่ได้ระบุว่าอันนี้เป็นทุกข์นะอันนั้นเป็นสมุทัยอันนั้นเป็นอรรอันเป็นมรรคละก็อย่างที่เทศให้ฟังทุกวันนี้เหมือนกันที่ผมเทศ เพื่อนฟ ja ังเลื่อนมาผมไม่ได้บอกว่านิเทศอริยสัจนะผมก็ไม่ได้ว่างแตเวลาว่างไปมันมีสติอริยสัจต่างนั้นมันไม่ใช่อะไรนี่คืเรื่องของอริยสัจแต่เวลาว่างไปมันมีสติอริยสัจต่างนั้นมันไม่ใช่อะไรมี่คืเรื่องของอริยสัจทั้งมวลทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมากทั้งน้อยอดอยู่ด้วยกันหมดยกออกมาพู่อยู่ในสนามโลบคือกายกับใจเป็นที่สถิตของอริยสัจ ว่าไปจนกระทั่งถึงอวิชารวมตัวก็จะแปว่าอะไรเจ็บใจบอกว่านี่คืออวิชายาสั้งคาราสังคาราปยาปัญญาหนังะนาจิว่าอะไรไม่ว่าก็ได้นี่อรวมตัวก็ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่แล้วมันหมอกเข้าไปไล่เข้าไปมันเห็นจะชัดหัวใจนจ่วะจะว่าอะไรมันเห็นอะไรก็พูดได้อย่างนั้นสิมันไม่ใช่มัดเดาพูดน่ะเวลามันไม่รู้มันพูดไม่ได้นี่เวลามันรู้แล้วปิดได้ไงมันพูดได้นี่ ยังว่าข้วแคระบอวดกระตามไม่ได้ปวดนี่เราพูดจริงๆนี่เมื่อก่อนเรายังไม่รู้เราพูดไม่ได้เวลานี้รู้แล้เราพูดได้นี่ว่าไงมันพูดอย่างนี้น่ะเขาจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะอืมเราก็ไม่เคยจะรู้กับคําที่คนว่าบ้าขอให้เราอย่าเป็นบ้าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดด้ความเป็นบ้าของเราแล้วเราพูดด้วยความรู้จริงในธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าสงสอนไว้ว่าที่อย่างนี้นั่นแล้วมันเปิดเปิดจริงจริงเห็นมันปิดปากได้หรือมันจะเด็กนยังพูดได้ไหมมันลงได้เห็นหรอกเน อันนี้ผู้ใหญ่ทั้งคนทำไมันจะพูดไม่ได้ก็สิ่งที่สอนไว้สอนเพื่อให้รู้ได้พูดได้ทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อให้เป็นใบเนี่ยวะตอนที่พูดถึงนลงเทวดาต่างหาฟังบอกกันไปเรื่อยนี่ก็อัจจรย์กันสะเทือนโลกกันนี่จริงทาให้คิดในอันหนึ่งเทวดาเหมือนกคอยอนันตงจิตของประหลาดตัางหาย เพราะจิตดวงนั้นมันเป็นจิตที่พวกเทวดาทั้งหลายรุ่นนีเกเคารวบูชาด้วยเหมือ น, นก็เทวดาจะคอยบอกข่าวบอกเรื่องอะไรอย่างพระชายดีอยู่พระอะไรที่เป็นโรคอะไรอย่านี่เทวดาไปะสะกิดใจเขามันมีในตำรานะบอกอะไรมันเป็นยนั้นงม้นจะมึดคิดอะไรขึ้นมานี่เรื่องนั้นเป็นมาเป็นมาเหมือนกับสิ่งนั้นจะเทวดาจะเป็นดุลดานใจเขาให้เป็นใ ห, ให้ให้มีความหยาบธรรอย่างนั้นอย่น มันเป็นเร pues ื yeah. ่องแปลกๆอยู่พทะเจ้าท่านท่านสอนเรื่องท่านพูดไปถึงเรื่องอันพรมชั้นกชั้นตั้งแต่สวรรค์กาตุมราชกาเดวาสัตดงชาเล่ย์สูงนสัดงชาเล่ยสุงเรื่อยไปจนกระทั่งภูมิกาจิกาตลอดไปเลยคือพอพวกภูมเทวนารู้แล้วก็ส่งข่าวให้พวกนั้นพวกนั้นสัาาส่งข่าวานั้นส่งข่าวไป เทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นเทวดาชั้นนั้นทราบแล้วส่งข่าวไปโดยลำดับหนาคาว่าแปลว่าแปลวก็เป็ น, นงั้นตอนนั้นท่านไปพูดด้วยนะเตนตเตนนะถึงว่าส่งเรื่องราวขึ้นไปเพียงคู่เดียวโลกท่านบันไปเลยนะอะไรส้ำคำพิษซ้ำิษเวตินะทันทันลายตอนนี้น่าฟังมากโอโรโจโอลาโรโจโอป โอ้ยโอป็สโอเปาตุหกสินข่าวว่างนี้มันจับไม่ได้มันก็ลงไปละคผพอดีขนาดนี้คู่เดียวคู่เดียวแสดงในระยะคู่เดียวมีสันเกตอริยสัต์แต่อิยสัตว์ที่ที่ว่าบบนก็ว่าไปไเรียบเรียบเรียบนะ อเนจจัตของผู้ปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันแต่เวลาเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนกันนี่เนเวลาคุ้ยเกี่ยวขุดค้นมันจะไม่เป็นไปอย่างว่านย่ที่ท่านว่านคือมันเป็นวิธีการอะไรเมื่อกี้คู้ยเกี่ยวขุดค้นใครมีเนี่ยหนักเบาของสติปัญญาขนาดไหนก็จะไปเต็มภูมิเจ้ของถ้าเสร็จแล้วก็มาเรี ย, รยบๆเหมือนกันไปเรีๆ เ, เพราะออกเป็นแบบเป็นฉบับก็ต้องเป็นเรียบๆไป อริปยาสุเรื่องวิปัชนานเรื่องมิปัชนานันนาตระกันสุกรรมการเรื่องเรื่องปัญญาแสดงเรื่องนี้จำทุกขลักษณน่ะเรื่องในนาตระกันสุในอธิปยสุตั้งแสดงเป็นเรื่องไฟไฟก็คือกองทุกข์แลในไอันนี้การแสดงละเอียดมากทีเดียวในอิปยาสุ แสดงถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขิงถึงรากถึงโคนดริงิงถอนก็ถอนรากสอนโคนเนี่ยคือใจลงถึงหัวใจได้เช่นมนาสุบิปีนิบินติทำเมสุปิปีนิบติเนี่ยคือเบื่อหน่ายเนี่ยทําแล้วยังเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ทําเมสุปิปีนิบินติปีนิบินติคือเบื่อหน่ายเนี่ยธรรมารมกับความสัมผัสสัมพันธ์ตลอดถึงเป็นเวตนาสุขทเฉยอะไรขึ้นมานี่ก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็ฟ้อมกว่นี้ เนี่ยถึงถึงเลวัดถึงที่สุดจริงๆผมผมนึวกว่าผมห า, หายสงสัยผมไ ม, ม่มีแง่ไม่มีแง่สงส่เหมือนอนาสตากราสุดตั้งแต่รูปเสียงตนนุ่นตัวเกงสัมผัสธรรมาลมเข้าเข้ามาเลยอยเลย ต, ตาหูจมูกดิ้นกายจิตเนี่ยมันเป็นคู่เป็นคู่กันรูปกับ ต, ตานีะ่ะ จากกุศลตดีดีรูปเอชดีดีนี่ังกบรรกเรื่อยมากระทําถึงจิตีก็เข้าถึงขั้นมาลปนิปีดิวิติทาแมฆชีวิตดนะีดีมมดีเนะี่ยรับไเบื่อหนยในจิตนั่นตั้งเองแล้วเบื่อหน่ายนัอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนั่นเกเป็นสุขเป็นทุกขเป็นเวทนาที่ซ้ำปัจจุบันมันปรากฏขึ้นมากาเบื่อหน่เบื่อหนเบื่อหนไม่มีคำว่าไม่มีมคาว่าติดว่ารักว่าชอบมีแต่เบื่อหน่ย แล้วก็รู้หรอว่าพอเสร็จแล้วังห์เตัดนิ่งปีดินติอยู่คือรวมยอดมาเลยมาตัดนิ่งเอาภาษาตั้งถึงภาษาสับเบลีก็เรียกว่าเป็นสับพนามตัดนิ่งปีที่ขาดเดี๋ยวรวบเอามาหมดเลยมันมาในสับนั้นมีนติคือทั้งหมดนี่วางันปุ๊ไงว่าเบื่อไหนทั้งหมดไปเลยเมื่อวานน่ะ นี่บินทางวลาจิติวลากายมือติอยู่ตัวนี้สิมือตัวี้ตันีมือมือจะมีสีงานทางหัตินะก็ไปแล้วไปแบบเดียวกันลนะตีบัานดาล ย, ยังครากรึไงคำว่ากำหนัดไม่ไแบบลูกโลกนี่นะจาจะแต่มันไม่มีศัพท์ที่จะไปไปอื่นไม่มีศัพท์ที่จะจะไปเรียกว่ายังไงได้อีกคาพาูดให้เหมาะสมมันไม่มีมากแต่ภาษาไทยแล้วนี่มันมากนะภาษาไทยแล้วนี่กินเอาขึ้นมาจแต่สแตกนะก็ใช่สแตกยัดเ กินอืแล้วฉันสเสวยรับทานอะไรมุนะ่งหน้าฟางิหลายเหมือนนึกเอาอะไรมาใช้กับเหมาะให้ให้เหมาะ ก, กับอะไรเอารับทานกับเหมาะตามขั้นภูมิของ ผ, ผู้ผู้เป็นตัวตัวประธานถ้าเป็นกษัตรย์ก็เสวยถ้าเป็นพระ ก, ก็ฉันถเป็นพระชั้นสูงไปกับเป็นสังหระก็สะเสวยอันนี้อันนี้ที่ว่า น, นี้บินนตินี่บินนตีนี่มันก็อย่างนั้นค่ะ นี่มีนิตยย่อมชั้นนี่มีนิตย์ย่อมสวยนี่มีนิตยย่อม <c oughs> นั่ น, นออกไปอย่างนั้นนะว่าย่อมทัแต่ ย, ม, ยมันแปลว่าอะไรนะจงกตั้งถึง ย, ย่อมเสวยถึงขั้นละเอียดมากที่สุดนี่นี่แหละนีบินิตย์นี่ถึงขั้นสวยหมายถึงว่าเป็นความเบื่ออย่างนั้นแหละเบื่อหน่ายความกำหนับคํากำหนับไม่ใช่กำหนับคื อ, อยินดีอ้อยอยนินขนาดไหนละเอียดขนาดไหนก็ตามมันไม่มีศัพบ์อื่นที่จะมา ามาพูดให้เหมาะสมได้ก็ว่าอันนี้เหละว่าธรรมชาตินั้นมันเปลี่ยนไปได้แต่การพูดที่จะเปลี่ยนไปตามมันพูดไม่ได้ตั้งไม่ได้การตั้งชื่อก็เลยเอาแบบเก่าอืมันนี่มีตุ้มติญาณังโหูตีนี่ตั้ตบงบำมจารย์อย่างก็ตั้งกันอย่างนาปรังอิตายิปชนาติเหมือนฟังหนูนาฟังอันั้แต่ละคณะสูตรนี้ใครเป็นก็ก็เป็นเถอะถ้าไม่พูดเป็นเสียงเดียวกัน เ ร, เรายันว่าอย่างนี้เลยถ้าลหลานอะไรจะมารูกอย่างขันหน้ากันเป็นพระหานได้ไงนั่นวาอย่างนี้ตัวเวทนาสัญญาสงฆ์วิญญาอนนจาจยานตาอยู่แทแค่นี้อเสจนั้นแล้วก็ น, นี่มีังวินจติไปเลยนี่ไม่ได้เข้าถึงจิตมีเพียงขนันเท่านั้นตัววิชายอยู่กับจิตมันไม่เห็นเข้าไปแต่กันเลยลหลารมาได้ยังไงวางนั่นแล้งวงนน ง, งกระตาบม่เป็นในหัวใจ เวลาพี่นามันไม่เป ita, like ็นอย่างนั plan, <Yes. S 1> ้นน <Yes. S 1> ี่อ um ันน <ido> ีจารย์ุกขาหน้าตามันฟัดลงลงถึงขีดถึงหัวใจเอาหัวใจเลยเป็นสนามอันิีจารย์ตุกขาหน้าตาอันเรานั้งเอาเป้นที่แรกก็เป็นแลก่อนนี่จารยตุกขาหน้าตามาเพราะเข้าถึงขั้นหุดมันจะเอาจะเคียวทั้งจิตพูดง่ายๆว่าเคียวที่กินทั้งจิตนั่นมันมีนี่ถ้าไม่เสร็จนี้ไม่เอานี้มันไม่แล้วเนี่ยอะไรแล้วก็เคี้ยวก็คืนมาเริ่มระดับนึกปล่อยมาเริ่มระดับอันนี้อะไรเนี่ยมันเห็นทุกข์วางตาอยู่นี่มันขวางอยู่นี่จะะทําออไรื นี่กระดูกมันอยู่นี่ก้างมันอยู่นี้น่นะน ใ, นในเนื้อเนี่ยในชิ้นเนื้ออนี่นะว่าไงกินเทั้งหมดเหรอกินทั้งกระดูกข้างกลางแล้วเหรอใต้นะั่ะกระดูกข้างขคอตายบ่อนออกสิปาดออกมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงวาะที่มันจะไม่มีีเว้นนะมันเว้นไม่ได้เอาเว้นอะไรไม่ได้ยกเว้นอะไรไม่ได้มันต้องพั ง, งกันเลยมัหมดเลยเอาที่กินนี่มันมัน ฟ า, าดลงไปตรงกินี่มันจะขาดไปบ้านหมดจนกระทั่งเป็นอาหารหัวต่อกห้เห็นสิว่าออกมพูดถูกพูดถึงเรื่องอาหารหรือว่ามันจะชิ้นายหมดไม่มีอะไรเหลือใชให้เป็นหัวต่อกาเห็นที่นี่สิว่าฟาดลงไปแล้วมันก็ไม่เป็นส่วนที่มันพังก็พังไปส่วนที่ไม่พังก็ไม่พังมันจะเห็นเองรุ่ยยิ่งชัดเป็นไม ม, ไ ม, มีนะปิดบังมหัศหรอไว้เหมือนแต่ก่อนที่เป็นมีนักชาติมหัศไวมันจะจดล่อนๆภาคปฏิบัติ ทำเม้าเจ้าสอนสดสดร้อนๆเข้าไปสู่หัวใจจะพังกิเลสภายในหัวใจให้ออกให้หมดได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาหลังนี้นะขึ้ไปไหนล้าสมัยไปไหนถ้าเไมพวกเราเป็นคนล้าสมายัยตัวเองล้าจะเน่ า, าเฟนเวลานี้พวกเราเนี่มันมเน่าเฟนพวกล้าสมายัยในกิเลสต้มเมาต้มาต้มเอ า, อเอ า, อเอาทำไม่ได้เข้าฝังหัวใจบ้างเลยบิดต บ, บาทก็ไอ้ที่มาบิดต บ, บานตอนนั้นไอพ้พวกที่ ในสมรทานตดงก็ให้รับเฉพาะผู้ชนตูดงมันถึงถูกผู้ไมสมทาก็พาดไปเรื่อง ก, กันหมดเวลาเขามีอะไรมาเฉพาะเฉพาะผู้รับก็เลยไม่ด้เรื่องพวกนี้ไปกินหมดนี่คิดสิเหยอนนันีนนเหนขาล่าเขาเล่าไปก็เอาเม่คินหน้าอหลังลต้องคิดสิซื่อๆาอยู่หมาตัวี้ขี้เกียจขี้เกียจ มันเหมือนคนเนะีขี้เกียจเลยหมือนคนมือนพระพระขี้เกียจนีถ้าจะให้ลงไลไ่ทางกองแล้วโอ้ยิ่งหมุนติวเลยขึ้นเสืขอนะขอึ้นหมอนเหมือนไอ้ดำไอ้ดำของเจ้านี่มันขี้เกียจแต่นาแต่นาเจ้าของเนยวิ่งกลับมาวิ่งไปอะไรเลยนี่ยไล่ตรงกองวิ่งขึ้นหมอนเร็วกว่าไอ้ดำมัน ไมกใช่ใครมาจากไหนจากไหนมั่งม า, ม า, มาไกลก่อนเป็นยังไงฟังเทศเข้าใจไหมที่มาใหมา่เนี่ยท่านอะไรเนี่ยอืมไม่ใช่แถวนี้มาใหมา่นนเนี้่ยนี่ก็กินมาใหม่เป็นไงฟังเทศอ่ะพอเข้าใจกันบ้างเปล่าล่ะเทศในต่างวันเนี่ยขดุดลงไปที่หัวใจบอกแล้ววิธีภานาเอานะไรให้กินให้จังพิษแพงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีการมันถึงจะทันไม่งั้นไม่ได้นะี่ย ทำยไงทำจัดแต่ว่าทำอย่างนั้นมันก็ไม่เรื่องเราเคยมาพอแล้วจึงต้องเยพิสอยู่เนี่อุบายวิธีการงั้นไม่ทันวิเดศนะเน่ไอ้สิอย่างนี้มันเป็นเทคนิคงายของแต่ละคนละคนที่จะพิยนาตัวเองแน่บอกทุกีทุกแก่ทุกเนี่ยทุกมือไม่ไหวถ้่ะเลยนะ